คนบางคนเคยดูธรรมดาต่อมาดูดีขึ้นได้จนหน้าแปลกใจอาจไม่ใช่หน้าตาที่เปลี่ยนแต่คือออร่าที่ต่างไปด้วยพลังแห่งกุศ ล, ลกรรมกรรมที่ทำให้หน้าตาดีขึ้นแม่ตรีให้ทานด้วยใจคิดช่วยและท่าทีอ่อนโยนไม่มักโกรธเมื่อหงุดหงิด หายใจยาวจนหน้ายักหายไปไม่อยากเบียดเบียนใครไม่ทำร้ายไม่โกงไม่นอกใจไม่มูสาไม่เสพมึนเมาไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเตลิดดํารงสติเฉพาะหน้ายอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นอิริยาบถนี้เอือยเฉยหรือแข็งขัน ถ้าเคยเจอคนบางคนที่เมื่อวานคุณมองละเมินแต่มาวันนี้ต้องจ้องตะลึงทั้งที่เขาหรือเธอไม่ได้แต่งเพิ่มไม่ได้ไปทําศรลยะกรรมมาจากไหนแนวโน้มคือสิ่งที่คุณเห็นคือออร่าที่ต่างไปไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทําให้ออร่าเปลี่ยนแบบฉับพลันทันทีบางครั้งก็เป็นแค่อะไรตื้นต้นเช่นจะขมวดคิ้วนิ้วหน้าเก่ง ลองไม่ขมวดคิว้วไม่เผลยย่นหน้าผากค้างให้ได้สักสองสามนาทีออร่าก็ดูดีขึ้นมากแล้วแค่ที่คนเคยมองแล้วรู้สึกอึดอัดเปลี่ยนเป็นมองแล้วรู้สึกสบายใจก็กลายเป็นข้อสังเกตเด่นที่ทำให้จงหนนจ้องได้แล้วแต่ออร่าชนิดที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นใครอีกคนที่ดูดีขึ้นหรือแย่ลงแบบท้าว ต้องการอะไรลึกซึ้งกว่าหน้าย่นหรือหน้าตึงมากถ้าอยากรู้ว่ากรรมใดช่วยทาให้หน้าตาดีทุกคนสามารถสำรวจด้วยตนเองจากการสังเกตเองในชาตินี้ชีวิตนี้ปีนี้เดือนนี้วันนี้หรือกระทั่งชั่วโมงนี้ว่าคิดแบบไหนพูดอย่างไรจิตใจของคุณถึงออกอาการยิ้มให้ตัวเอง กรรมที่ทำแล้วจิตออกอาการยิ้มได้นั่นหละคือกรรมที่ทาให้หน้าตาดีถ้าที่คิ ด, คดพู ด, พดและทำอยู่ในวันนี้ช่วยให้นึกอยากยิ้มอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆกระจกเงาจะบอกว่าหน้าตาคุณดูดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันส่วนรูปร่างใช้ความดีละลายไขมันไม่ได้อยากลดความอ้วนต้องออกกําลังเอา ลองสร้างเช็คลิสต์ไม่คิดผิดง่ายๆขึ้นมาสังเกตตัวเองแบบเดียวกับที่ไม่ย่นคิ้วนิ้วหน้าให้ออร่ามนข้อที่หนึ่งไม่ตรนีให้ฐานด้วยใจคิดช่วยและท่าทีอ่อนโยนคุณจะรู้สึกถึงความงามภายในที่ปรากฏขึ้นก่อนแล้วหน้าตาก็ดีตามมาจริงๆข้อที่สองไม่มากโกรธ เมื่อหยุดยิดแล้วมีสติรู้ว่าความงุ่นง่านเกิดในขณะที่ไม่รู้สึกถึงลมหายใจเมื่อหายใจยาวขึ้นจนรู้สึกได้หน้ายักษ์ก็หายไปกลายเป็นหน้าคนที่มีรอยยิ้มงามเกิดขึ้นแทนข้อที่สามไม่อยากเบียดเบียนใครเมื่อตั้งใจว่าจะไม่ทำร้ายหน้าตาก็ไม่งอกเขี้ยวโหด เมื่อตั้งใจว่าจะไม่โกงหน้าตาก็น่าไว้ใจเมื่อตั้งใจว่าจะไม่นอกใจหน้าตาก็ดูดีมีความเป็นที่รักเมื่อตั้งใจว่าจะไม่มูสาหน้าตาก็ไม่เบี้ยวบิดผิดเพี้ยนเมื่อตั้งใจว่าจะไม่เสพสิ่งมึนเมาหน้าตาก็ดูเป็นปกติสุขเยี่ยงวินยูชนผู้มีสติ ข้อที่สีไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเตลิดเมื่อตั้งใจดำรงสติเฉพาะหน้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นอิริยาบถนี้เอือยเฉยหรือแข็งขันท่าทางแบบนี้ช่วยเสริมสติหรือบั่นทอนสติเมื่อสติดีหน้าตาก็หน้ามองและเกิดออรากระตุน้นให้คนอื่นอยากมีสติตาม สรุปความสีข้อคือทานเมตตาศีลและสติโดยย่นยอ่อเพื่อจำง่ายแค่สนใจธรรมะที่ถูกที่ตรงแค่น้อมเอาธรรมะเข้าไปประดิษฐานในตนเป็นเรื่องๆโดยมีศรัทธาในพระศาสดาเป็นเครื่องนำร่องคุณจะรู้ด้วยตนเองไอยสงสัยเลยว่าคนสวยคนหล่อถือกำเนิดด้วยกรรมใด แล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าสวยหล่อแบบเหลืองๆแล้วจะมีสิทธิ์ลดระดับความหน้าตาดีลงได้หรือไม่หมายเหตุผู้อ่านในเรื่องของบุญกุศล น, นั้นถ้าทำได้มากพอและถูกต้องตรงทางจริงบางคนอาจถึงขั้นเปลี่ยนโครงหน้าให้ดูดีขึ้นซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้ง่ายที่สุดก็คือพอมีสติสมบูรณ มองอะไรเห็นตามความเป็นจริงไม่มีโมหะหรือกิเลสหนาแน่นปิดบังจิตไว้ก็จะรู้ตามความจริงได้โดยง่ายอันมีผลให้รู้จักเลือกทรงผมเลือกเสื้อผ้ารู้จักการเลือกกินอาหารและออกกําลังกายมองเห็นชัดว่าเสื้อผ้าหน้าผมแบบไหนเหมาะกับตนเองจากคนที่ดูไม่ดีแค่ปรับทัศนคติก็สามารถทําให้ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วนะครับ สำหรับในเรื่องกรรมออกผลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายนั้นเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีการทดลองวิจัยจํานวนมากที่ระบุชัดว่าเมื่อจิตเป็นกุศลจะทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองดีขึ้นการทํางานอวัยวะภายในดีขึ้นและลดการหลั่งสารที่ไม่ดีจากสมองมีการหลั่งสารที่ดีในระดับที่สมดุลผลเบื้องต้นที่เห็นได้ชัดที่สุดกับทุกคนก็คือจะแก่ช้าหรือไม่แก่ก่อนวัยผิวพรรณดูผุดผ่องกว่าปกติ ยิ่งจิตเป็นกุศลมากเท่าไรก็จะยิ่งดูผ่องใสามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อใครได้เข้าใกล้ก็จะรู้สึกสงบเป็นสุขได้โดยง่ายบทความที่นำเสนอถึงว่ากรรมอะไรช่วยให้ดูดีนั้นเป็นการศึกษาว่ากรรมมีผลอย่างไรแต่ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้ทำดีเพื่อวังให้ตัวเองดูดีหรือสวยหล่อขึ้นนะครับ